ก็แต่ปรารถนาความสงบคือถ้าไม่ปรารถนาความสงบว่าคงไม่เลือกมาที่นี่นะเพราะว่าข้างนอกนก็มีอะไรต่ออะไรที่จะสนุกสนานแต่ความสนุกสนานของผู้คนมันก็นกันกจะมาโคกู้กับความไม่สงบความกระทึกอันนี้พูดถึงความสงบที่เราปรารถนานี่ยนะ มันก็มีอยู่สองอย่างอย่างแรกมายถึงการที่มันไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงที่รือกระทืบขึกนโครมอีกอันหนึ่งก็คือการไม่มีสิ่งรบกวนจิตใจเช่นความฟุ้งซ่านหรือว่าความทุกข์อย่างแรกนี่เราเรียกว่าความสงบทางกายภาพนะการไม่มี เสียงรบ ก, กวนนะเสียงดังเสียงกระทึกเนี่ยเสียงจอดแจนไม่ใความความสงบทางกายภาพอันที่สองไปถึงความสงบทางจิตใจคือการที่ไม่มีเสียงรบ ก, กวนจิตใจไม่มีความคิดฟุ้งซ่านไม่มีความหงุดหงิดกำคารสองอย่างนี้ก็มันก็เกี่ยวเนื่องกัน แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าสัมพันธ์กันเป็นเหตุเป็นผลกันเท่าไหร่นะหมายความว่าแม้ในที่ที่มีเสียงดังแต่ว่าจิตใจก็สงบได้อันนี้ทำได้อยู่อย่างที่เคยเล่าถึงพวกที่เขาไป สังเวชีสถานใตพุทธคยาพุทธคยานี่เสียงดังเสียงกระทึกแต่มันไม่ใช่เสียงกระทึกที่ตามตลาดแต่มันเป็นเสียงจากการสดมนเพืจะมีคนนั่งสมาธิแล้วก็ดูจากภายนอกก็เขาก็น่าจะสงบพอสมควรสงบใจ เสียงดังก็ทึกแต่ว่าใจสงบนี้ก็ได้ในทางตรงข้ามไม่มีเสียงดังแต่ว่าใจไม่สงบอย่างคนหลายคนถึงแมาจะอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องพระไม่มีเสียงรบ ก, กวนแต่ว่านั่งสมาธิก็รู้สึกว่าใจมันว้าวุ่น ไม่มีเสียงข้างนอกรบกวนนะแต่ว่าใจไม่สงบแลวความไม่สงบใจบ่อยครั้งมันก็ไม่เกี่ยวกับเสียงนะเช่นอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในที่ทำงานอาจจะไม่มีใครเลยสักคนยกเว้นเราแต่ว่าเห็นเพื่อนเขาวางจานชาม นะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางแก้วน้ำนะหรือว่าเห็นห้องมันสะกะปรกไม่เป็นระเบียบระเกะละกะทั้งที่ไม่มีเสียงรบ ก, กวนเลยนะอาจจะเป็นตอนค่ำคืนด้วยซ้ำนะแต่ว่าใจไม่สงบละเพราะว่ามันได้เห็นสิ่งที่ไม่ชอบเห็นความไม่เป็นระเบียบก็เกิดความหงุดหงิด หรือว่าเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สงบใจนะหรือว่านัดเพื่อนนต่เพื่อนไม่มาไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงรบ ก, กวนอะไรเลยแต่ว่าเพื่อนไม่มาตามนันเนี่ยจิตใจก็รุ่มร้อนว่าวุ่นนะอย่างนี้ก็เรียกว่ า, ไ ม, า, วามไม่สงบใจนะยังพอไม่สงบใจเนมันไม่จำเไม่ต้องเกี่ยวกับเสียงก็ได้นะ ถึงแม้ว่าหลายคนจะเกิดความหงุดหงิดเวลามีเสียงดังโดยเพราะพวกเราที่มาเด็กเล่ม่อยู่ถึงนี่นะพอมีเสียงดังก็ใจก็ไม่สงบนะแต่ก็จะไปคิดว่าไม่สงบใจเพียงเพราะไม่มีเสียงดังเท่านั้นเพราะเพียงเพราะมีเสียงดังเท่านั้นนะถึงไม่มีเสียงดังมันก็สามารถจะเกิดความไม่สงบในจิตใจได้ โดยพอเมื่อเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราอาจจะเป็นฝนตกแดดออกฝนตกหรือว่าแดดแรงอากาศร้อนหรือว่าการกระทำของคนรอบข้างถึงแม้ว่าการกระทำของเขามันไม่ส่งเสียงอะไรเลยแต่ถ้า มันไม่ถูกใจเราเราก็เกิดความโกรธหงุดหงิดนะอันนั้นเรื่าไม่สงบไม่สงบใจอันนี้รวมไปถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยด้วยนะคนที่เจ็บป่วยนี่มึอแม้จะอยู่ในห้องแอร์ไม่มีเสียงดังแต่ว่าใจก็ไม่สงบเพราะว่ามันมีความขุนเคืองมีความรู้สึกหดอัด เกิดโทษะหรือว่าเกิดความวิตกกังวลว่าจะอยู่ไปได้อีกกี่น้ําอีกกี่วันหรือว่เมื่อหร่จะตายอันนี้ก็ไม่สงบเหมือนกันที่จริงไม่ต้องคนป่วยที่ถึงกับเข้าโรงพยาบาลหรือว่าใกล้ตายเลยไม้แต่นั่งนั่งสวดมนต์แล้วก็หรือนั่งฟังธรรมะแล้วก็เกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมา เพราะว่านั่งนานนะหรือว่านั่งสมาธิก็ได้นะทั้งที่ห้องนี้เงียบไม่มีใครส่งเสียงดังแต่ว่าความปวดความเมื่อยมันก็ทำให้ติดใจว้าวุ่นนะอันนี้ก็ไม่สงบเหมือนกันเท่านี้เนี่ยในการที่เราจะปรารถนาความสงบนะ โดยเพราะความสงบในจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนถ้าหากว่าต้องการความสงบในใจนะแต่ว่าอยากให้ใครต่อใครเขาทำทุกให้ถูกใจเรา อันนี้มันก็เป็นความเพ้อฝันเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะทำถูกใจเราไปได้ตลอดแม้แต่ตัวเราเองตัวเราเองแท้ๆนี่ก็ยังก็ยังคิดทำพูดไม่ถูกใจตัวเองก็่มีเช่นบางทีก็ ืายบางทีก็ไม่สบายบางทีก็พูดแต่รล อ, อกไปโดยที่ไม่ที่ต้องเสียใจหรือไม่พอใจหรือทำไปแล้วก็ไม่ถูกใจว่ามันมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อันนี้เป็นต้นนั้นการที่จะ จะเรียกร้องหรือว่าคาดหวังให้ผู้คนสิ่งของหรือว่าบรรยากาศแวดล้อมนี่มันถูกใจเราจนกระทั่งไม่ทำให้เราหงุดหงิดไม่ทำให้เราลำคาญใจเลยนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่ควรจะคาดหวังด้วยอยากได้ความสงบ แต่ไปเรียกร้องจากคนอื่นอันนี้นอกจากมันจะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันเรียกว่าอย่างเป็นการค้ากำไรเกินควรก็ได้นะคือไม่ลงทุนนอะไรเลยนะอยากจะหาอยากจะได้ความสงบแต่ไม่ลงทุนไม่ลงแรง เอาแต่เรียกร้องคนอื่นว่าเธอต้องพูดดีกับฉั น, น, นเธอต้องทำให้ถูกใจฉันเธอต้องรู้ใจฉันหรือว่าทำตามที่ฉันบอกให้แบบนี้เรียกว่าค่ากำลังเกินควรหรือว่าเอาแต่ได้ก็ได้ เพราะว่าไม่ลงทุนเลยไม่ลงทุนไม่ลงแรงแคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะอยาได้ความสงบใจนะแต่ว่าไปเรียกร้องจากคนอื่นให้ทำอย่างงาน้นทำอย่างนี้หรือไม่ทาอย่างงาน้นไม่ทาอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่ใช้ความเพียรพยายามหรือว่าลงทุนลงแรงอะไรเลย เมื่อเราอยู่ได้ความสงบเราก็ต้องลงทุนบ้างลงแรงบ้างเช่นอย่างน้อยเราองมีความอดทนมีขันติเสียงดังยังไงเราก็อดทนอดกลัน้นใครก็ททำอย่างไรไม่ถูกใจเราเรากา็ต้องฝึกอดทนอย่างต่างๆก็ต้องมีขันติหรือว่า มีมากกว่านั้นคือเออมีเมตตาเมตตาเมตตามันทําให้เกิดความเห็นใจเออเขาก็พูดเสียงดังหรือว่าเขาวางของไม่เป็นที่ก็ก็เห็นใจเขาอาจาาอาจะงานเยอะหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้มีนิสัยมาทางนั้นไม่ได้ถูกรับการอบรมมา เขาอยู่สบายมาตลอดเขาก็เลยประพฤตัวอย่างนั้นเออพอเรามีเมตตาเราก็หายโกรธพอหายโกรธใจเราก็สงบนะหรือว่าถ้าไม่ชอบนะไม่ชอบต้องขันติไม่ชอบเมตตก็สติก็ได้นะสติก็คือว่าพอใจมันก็เพิ่มใจมันก็เพิ่มก็รู้ทันให้รู้จักสร้างสติมา รักษาใจไม่ให้ความหนิดความขุนเคืองมันมาเล่นงานใจบ้างมันทำได้นะลงทุนหน่อยนะสร้างสติขึ้นมารักษาใจพื่อมันก็ต้องฝึกนะมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ฝึกแล้วนี่ก็มาเอามาใช้เอามาใช้กับความความเป็นจริง คนพูดเสียงดังหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจพอใจก็เพื่อมก็เอาสติมารู้ทันอาจจะเริ่มตั้งแต่เห็นใจมันหงุดหงิดไม่พอใจหรือใจมันบน่นตีโพยตีพา ย, พยก็รู้ทันเพราะรู้แล้วก็จะวางใจก็สงบหรือว่าถ้ายังวางไม่ได้มันยังบ่นอยู่ก็ให้มันบน่นตีแต่ในใจ อย่าบ่นออกมาทางวาจาอันนี้ก็ฝึกนะฝึกแบบนี้เราฝึกขันติคือใจมันใจมันบ่นแต่ว่าอ่าปิดปากแน่นไม่พูดอันนี้ก็เป็นการฝึกขันติซึ่งถึงแม้มันจะเป็นการฝึกจากฝึกที่ภายนอกนะฝึกที่อาวาจาแต่ว่าฝึกไปฝึกไปมันก็ทําให้มันก็ลงสู่ข้างในทําให้ใจนี้หนักแน่นมั่นคงได้ อันนี้เรียกว่าลงทุนลงแรงนะพยายามที่จะพยายามที่จะฝึกแบบนี้นะอย่าไปประเภทว่ า, าหินแกนได้หรือค่ากำไรเกินควรต้องให้ต้องคอยเรียกร้องให้ใครตอบใครพูดถูกใจเราทำถูกใจเรา นะหรือว่าทำตัวเรียบร้อยมันเป็นการไปพึ่งพาคนอื่นมากไปนะยืมจมูกคนอื่นหายใจนะหรือว่าเป็นการเอาเปรียบนะเพราะว่าตัวเองเอาแต่เล็กร้องคนอื่นให้เขาทำางนอย่างนี้แต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยนะมันต้องลงทุนลงแรงบ้างถ้าปรารถนาความสงบก็ต้องฝึกใจ ฝึกทั้งในเวลาที่อยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้งของกับใคร น, นี่เราฝึกในรูปแบบก็ได้แล้วก็ฝึกเวลาออกไปเจอผู้คนไปเจอผัสษะที่จริงตอนไปเจอภัสษาน่ะเป็นการฝึกอย่างดีเลยแล้วที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกไปฝึกไปนะ ดูใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะพบว่าในความว้าวุ่นในความว้าวุ่นในใจหรือความไม่สงบในจิตใจหรือผู้หลมรวงว่าความทุกข์ใจเนี่ยปัจจัยเราอยู่ที่ใจเราเองมันไม่ได้ที่สิ่งภายนอกเลยไม่ได้ที่คนนอกตัวไม่ได้ที่ดินฟ้าอากาศมันที่ใจเราที่วางไว้ไม่เป็น ใจที่เราใจที่มีรูโว่นะเปิดช่องให้ความทุกข์มันเข้ามาครอบงำใจได้มันมันมีรูโว่เต็มไปหมดเลยเหมือนกับกำแพงทีนะ่ประตูเปิดอาา้าซ่ากระถางยังมีรูตามตามกำแพงอีกนะมีรูตามกำแพง เยอะแยหมดแล้วก็ไม่ยอมปิดไม่ยอมไม่ยอมซ่อ ม, มอมไม่ยอมออุดเอาไว้เพราะฉะนั้นศัตรตูเขาจะเข้ามาได้เข้ามาเล่นงานเข้ามาเล่นงานหรือเผาเมืองนหน้าที่ของศัตรตูมันก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปป้นนเก็ไปยึดเมืองนะ หรือว่าเผาเมืองตัวความทุกข์เนี่ยมันก็หน้าที่มันก็ต้องพยายามเข้ามาครอบคามติดใจส่วนหน้าที่ของเราคือว่าปกป้องเอาไว้ไม่ให้มันเข้ามาถ้าเป็นผู้ครองนคอก็ต้องพยายามรักษากำแพงให้เข้มแข็งมั่นคงแล้วก็ต้องมียามเฝ้าประตูด้วยมี ผู้รักษาประตูเมืองรูปกาประตูเมืองนี่คือสตินั่นแหลนะก็ต้องหมั่นฝึกนะให้เขาเข้มแข็งใครจะฝึกนะก็ต้องเป็นต้องเป็นเรานั่นนหละนะที่ต้องขวนขวายเอาใจใส่ยอมเสียเวลาในการฝึกให้เขาทํางานเข้มแข็ง ผู้ปกครองนครหรือเจ้าเมืองเนี่ยไม่เอาใจใส่นะอยากจะให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีไม่มีการป้นสะดมแต่ว่าขอเอาแต่ขอร้องโจรว่าหรือเอาแต่ขอร้องศัตรูว่าอย่าเข้ามาบุกเมืองฉันนะอย่ามาทําอะไรเมืองฉันนะนะให้อยู่เฉยๆนะ ให้ทำตัวเรียบร้อยนะอแบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะแล้วก็เป็นความเพ้อฝันแล้วก็เป็นทั้งความโง่ด้วยหน้าที่ของโจรมันก็ต้องพยายามเข้ามาปล้นหน้าที่ของศัตรูต้องพยายามเข้ามายึดเมืองสิ่งที่เรา เราจะไม่ทำอะไรเลยแต่บอกว่าเนี่ยให้ทำตัวให้เรียบร้อยนะใครต่อใครทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ก็ต้องฝึกต้องขิ้มแข็งเราต้องตัดเตรียมแล้ถ้าเกิดว่าเมืองมันถูกทำลายถูกทะลุทะลวงเข้าไปเข้าไปป้นสะดมเข้าไปเผานี่ ก็อย่าไปโทษคนอื่นนะต้องโทษตัวเราว่าทําไมละลวมนะไม่กวดขันในเรื่องการรักษาเมืองเอาไว้แม้กรมทค่งเวลาเราทุกข์ใจนะก็ต้องมองมาที่ตัวเองก่อนว่าทําไมเราละรวมไม่รักษาใจให้ดีอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้ ว่าทำไมเขาไม่ทำบางอย่างทำไมเขาไม่ทำอย่างนน้นให้เราเนี่ยต้องกลับมากวดขันนะที่ใจของเราถ้าปราศนาความสงบ ก, ก็ต้องต้องลงทุนลงแรงนะฝึกเพียรพยายามการปฏิบัติเนี่ยหรือการฝึกจิตใจมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่สองสองระดับหรือว่าสองส่วนนะ โดยเพราะการเจริญสติเนี่นะมันก็มีฝึกอย่างแรกก็คือฝึกในรูปแบบนะอาศัยการเดินจงกรมการสร้างจังหวะหรือการตามลมหายใจก็แล้วแต่ในส่วนนี้ก็อาศัยกายนี่แหละนะเป็นเป็นฐานให้รู้กายรู้กายเวลาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะยกมือไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะ สร้างจังหวะแล้วก็ขยายต่อไปสู่กิจกรรมที่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติในรูปแบบเช่นอาบน้ำถูฟันซักผ้ากวาดบ้านพวกนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวในส่วนกายก็ให้มีสติรู้กายไ้ไม่ใช่เอาแต่ มีสติเวลาสร้างจังหวะเวลาเดินจงกรมเวลาตามลมหายใจแต่เวลาทำกิจอย่างอื่นนี่ก็ทิ้งไม่สนใจแล้วคนเราเนี่ยมันก็มีการเคลื่อนไหวทางกายอยู่แทบทั้งวันถ้าไม่ปฏิบัติก็ต้องทำงานหรือว่าทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน มันก็ใช้กายนะเคลื่อนไหวซักผ้าทาครัวหั่นผักเย็บผ้านะอันนี้มันมีเมื่อมีกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้กายนะการรู้กายคือความการรู้สึกว่ามันมีกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกหรือใจก็รับรู้นะนะ อีกส่วนหนึ่งนะก็คือการปฏิบัติเวลาเกิดผัาษะแล้วเกิดภาษาคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหรือว่ากายมันเกิดสัมผัสขึ้นมาให้ภาษาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดผลที่ใจก็คือทำให้เกิดความยินดีร้าย พอใจไม่พอใจเกิดความขุนเคืองใจหงุดหงิดเนี่ยมันก็เพราะผัสสนี่แหลนะซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนไหวทางกายนะเช่นเท้าไปเดินจงกรมแล้วเท้าไปเหยียบหินนี่เกิดผัสสะหรือว่าเดินธรรมญาตาระหว่างที่มีสติ รู้กายมันก็เจอแดดนะร้อนหรือว่าไปเหยียบกรวดเจ็บนะแต่บางทีมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างที่มีการเคลื่อนไหวทางกายเช่นนั่งอยู่นิ่งๆก็มีเสียงดังมาก็ระทบหนะูหรือว่าเห็นผู้คน ทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจมันเกิดผัสสตายรู้หูดินเสียงกระใจกระเพื่อมใจขุ่นมัวเกิดความหงุดหงิดเนี่ยตรงนี้ต้องมีสตริรู้ใจนะต้องมีสตริรู้ทันใจรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเพราะตัวโทสะ แต่ว่ามันก็มีตัวอื่นที่ควรจะรู้ด้วยเช่นโลภะความอยากไอคกกกนนะ้ความอยากก็ทําให้ทุกข์ใจเหมือนกันนะความอยากก็ทําให้ใจไม่สงบได้เหมือนกันเพราะอยากได้ใจมันก็รุ่มร้อนรุ่มร้อนอยากเข้าไปยึดครองส่วนโทสะนี่มันก็รุ่มร้อนอีกแบบมันรุ่มร้อนในขณะที่อยากจะทําลายอยากจะผักใส่มันก็ร้อนทั้งสองอย่าง แต่นำไปสู่พฤติกรรมคนละแบบตรงข้ามกันเลยอย่างหนึ่งทำให้อยากเข้าใกล้ครอบครองถ้าจะกลืนกินไปเลยก็ได้อีกอย่างก็ไม่อยากผักใสยอยากจะทำลายอยากจะหนีห่างแต่มันก็ทำให้ทุกข์เหมือนกันทำให้ใจไม่สงบงนั้นตรงนี้การปฏิบัติในขั้นที่เกิดเมื่อเกิดภาษาวนี่สำคัญมาก ส่วนอานปฏิบัติก็ไปคิดแต่ไปใจใจใ จ, จดจ่อยการปฏิบัติขั้นแรกประเทศแรกคือว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวปฏิบัติเมื่อมีการกระทําทางกายหรือมีอริยาบทแล้วก็บางคนก็แคบตีแค บ, บตีวงแคบไปเฉพาะเวลาทําในรูปแบบเช่นยกมือสร้างจังหวะเดินตรงกลมตามลมหายใจแต่ว่าพอไปบินธบาติพอไปทําครัว หรือว่ากินข้าวอาบน้ำถูฟันทั้งที่มันมีการอิรลียบทมีการเคลื่อนไหวทางกายแต่ว่าใจลอยแล้วไม่รับรูนะ้ลืมกายไปเลยเมื่อกายเคลื่อนไหวก็ไม่ลืมกายรู้ว่าทำอะไรแต่ขณะเดียวกันก็ต้องสิ่งที่มันสิ่งที่มันยากแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำมากคือฝึกตอนมีเกิดพัสสะ ในภาษาเนี่มันมักจะเกิดขึ้นในในยามที่เราเผลอหรือในยามที่เราไม่ได้ปฏิบัติหรือออกจากการปฏิบัติในรูปแบบเจ่นออกจากการเดินตรงกลมในกุฏิเข้าไปในครัวออกไปในครัวไปที่ศาลาอุติอผู้คนในตอนอยู่กุฏินี่มันสงบมีแต่เราคนเดียวหรือว่าอยู่ในห้องพระก็มีแเราคนเดียวตามลมหายใจสร้างจังหวะเดินตรงกลมมันก็สงบได้ บางทีก็รู้กายได้ดีนะแต่พอออกไปที่ครัวออกไปเจอผู้คนออกไปที่ถนนใหญ่ไปทำงานเนี่ยมันเจอผัสสะทั้งนั้นแล้วก็ถ้าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เตือนตนไม่ใส่ใจว่าเนี่ยคือการปฏิบัติอย่างหนึ่งเนี่ยคือโอกาสในการปฏิบัตินี่คือ เวทีแห่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ปล่อยใจลอยไม่ระมัดระวังไม่ตั้งการเพอาะไม่ตั้งการไม่มีสติดูรักษาใจมันก็ความทุกข์มันเข้ามาเล่นงานจิตใจพอทุกข์ก็ก็ยังลืมตัวนะยังไปโทษคนโน้นคนนี้โทษเจ้านายโทษเพื่อรวมงานโทษพี่น้องโทษพ่อโทษแม่โทษลูกนะ โทษนักการเมืองโทษดินฟ้าอากาศโทษเศรษฐกิจไม่ดูใจงตัวเลยนะนเวลาทุกครั้งที่เราโทษใครเนี่ยนะสำหรับนักปฏิบัติแล้วถือว่าตอนนั้นอาจจะสอบตกแล้วนะโดยเพราะเวลาโทษคนโน้นคนนี้ว่าทำให้เราทุกข์หรือว่าบน่นนะบ่นด้วยลวนเพราะมีความทุกข์ใจ อันนั้นมันกำลังแสดงกำลังบอกว่าเราลืมตัวเราเรียกว่าสอบตกแล้วสอบตกในธนะัปฏิบัตินะเพราะว่าถ้าเราไม่เรามันดูใจมันก็จะพบว่าเออมันเป็นที่ใจเรามไม่ใช่เป็นพ่อคนอื่น เมื่อใดก็ตามที่เราบน่นคนนู้นคนนี้เนี่ยมันแสดงว่าเรากำลังโทษว่าเขาทําให้เราทุกข์แต่มันมีใครทําให้เราทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองไม่มีใครขโมยความสุขความสงบไปจากใจเราได้ถากว่าใจเราไม่ร่วมมือและไม่เปิดช่องให้เมื่อใดก็ตามที่เราบน่นโวยวายมันแสดงว่าเราลืมปฏิบัตนะิเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมา นี่ต้องให้ความสำคัญมากนะต้องระมัดระวังเวลาเกิดภาษาขึ้นมาให้ให้ถือว่าเออนี่เป็นคือเวลาการฝึกใจนี่เป็นเวลาที่จะต้องตั้งสติให้ดีนี่เป็นเวลาที่เราจะต้องนะฉลาดในการรับมือกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบรับมือในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไป ไปรับมือที่ไหนก็คือมาดูใจรักษาจใจมตัวเวลามีอารมณ์มากระทบร่างยมันก็เพิ่มเนื่อเพราะกระเพิ่มลงหรือว่ายินร้ายเนี่ยไอ้กระเพิ่มขึ้นก็ต้องก็ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าไปไประมาดระวังแต่ไอ้ความยินร้ายความไม่พอใจความ ม, ม, มิ่ที่เกิดขึ้นความยินดีความดีใจก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะมันก็มีโทษนะ เพรดีใจมากๆก็ทําให้ลืมตัวได้นั่นอย่าลืมการปฏิบัติแล้วมันมีสองแบบมีสองขั้นตอนอยู่เสมอเมื่อกายเคลื่อนไหวนะเมื่อมีเรียบทใดๆก็ให้ให้รู้กายอย่าลืมกายไม่ว่าทําปฏิบัติในรูปแบบหรือว่าออกจากการปฏิบัติในรูปแบบก็ตามก็อย่าลืมกายเมื่อมีการเคลื่อนไหว ใครเดีวกันเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นก็อย่าลืมใจนะเพราะว่าถ้าลืมใจวันไหนเนี่ยมันก็จะใจมันก็จะทุกข์ได้ง่ายความทุกข์มันก็จะจู่โจมเข้ามาเล่นงานจิตใจเพราะว่าใจมันเปิดช่องไม่มีไม่มียามนะคอยมารักษาใจการปฏิบัติจารสมาธิมันก็ง่ายๆสองยานนะ่างคือไม่ลืมกายไม่ลืมใจ ทำอะไรก็ไม่ลืนกายเกิดภาษาอะไรขึ้นมาก็ไม่ลืนใจให้เวลาเจออะไรที่ขัดใจเนี่ยให้ถือว่าเออนี่เขากำลังฝึกเรานะเขากำลังฝึกเอาให้มีสติเรามองแบบนี้ดูอันนี้เรียกว่าเป็นการมองแง่บวกนะหรือว่ารู้จักหาประโยชน์จาก ขัดสะต่างๆที่เกิดขึ้นหรือขัดสัตว์ที่ไม่น่าพอใจมันจะช่วยเตือนให้เราเนี่ยนะไม่ไม่มีปฏิกิริยาในทางลบพอถ้าไม่เตือนแบบนี้เนี่ยมันจิตมันก็จะเกิดโทสะได้ง่ายเกิดความไม่พอใจได้ง่ายแต่ถ้าเราหมอเออนี้เขากำลังมาฝึกเรานะหรือว่านี่เป็นโอกาสที่เราต้องได้ฝึกนะสิ่งที่ขาดอขดใจเราเนี่ยนะ มันสามารถจะใช้เป็นเครื่องขัดใจเราให้สะอาดได้หรือขัดใจเราให้มีอัตาอตาเบาบางลงได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินะมันก็ทําให้ใจเราติดขัดติดขัดก็เรื่องเก่าผ่านไปแล้วเป็นวันผ่านไแล้วเป็นตีก็ยังขัดยังตีตรงนั้นแหละเพราะว่าคนนั้นคนนี้พูดไม่ถูกใจเราหรือว่าเขา ทำให้เราไม่พอใจเขาว่าเราเขาตำหนิเราติดจีก็ติดขัดติดขัดอยู่กับอดีตแต่คนฉลาดนี่ก็จะเอาเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพฤติกรรมที่ขัดขัดใจนี้มาเป็นเครื่องขัดใจให้กิเลสเบาบางอัตตาน้อยลงสิ่งที่ได้คือกำไรไม่ขาดทุนแต่ถ้าหากว่ายัง ยังไม่สามารถจะหลุดไปจากสิ่งนั้นได้อนะย่างน้อยล้วก็ฝึกขันติก็ได้ฝึกด้วยการไม่บน่นไม่บน่นไม่โวยวายถึงแม้ใจมันจะยังมีความขุดมัวนะแต่ว่าเราฝึกไม่บน่นหรือถ้าทำไม่ดี ก, ก็คือฝึกใจให้ไม่บ่นด้วย ฝึกใจไม่บ่นนี่ก็ทำได้ด้วยการที่เรามีสตินะรู้ทันใจที่หมุดหิดนะแล้วก็วางมันลงแล้วฝึกใจให้ยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราจะยอมรับมันโดยไม่บน่นอย่างอาจารย์ประมวลนี่ตอนจะไปอินเดียนะหลังจากที่ไม่ได้ไปอินเดียมาสิกกบกว่าปี ยี่สิบกว่าปีได้จบปริญญาเอกแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับอินเดียช่วงที่บวชแล้วก็เรียนปริญญาเอ็นนี้ก็ทุกข์ใจเหลือประมาณแต่ตอนหลังกลับไปครั้งใหม่นี่ก็อธิษฐานเนียว่าจะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดีย จะถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้อเทวดาประทานมาให้จะไม่บน่นจะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของยินเดียเขาเรียกเงินแพงก็ก็ให้ตามนั้นไม่มีการต่อรองมันจะแกล้ ง, ย, งยังไงก็คือไม่แตบบางทีโดนขับไล่ออกจากโดนไล่ออกจากตู้โดยสารนะเพราะว่าไป ไปเอื้อเฟื้อคนจันทานไปเอื้อเฟื้อคนจันทานที่มานั่งในรถไฟคนเยอคนหนึ่งก็รังเกียจขึ้นมาไล่เลยนะแกก็ไปไล่ของเราก็ไปไม่บ่นไม่เวอรว่าทําไมฉันมีตั๋วรถไฟเี่จะมาไล่ฉันได้ยังไงฉันก็ยอมนะเขาไล่ฉันก็ไปก็ไปนั่งอยู่ไปนั่งอยู่ในมุมหน้าห้องน้ํา ก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะก็บอกว่าสามารถจะอยู่ในอินเดียไดงมีความสุขนะเพราะใจยอมรับทุกอย่างนั่นนี่ก็เป็นเทคนิคที่เรามาใช้ได้นะจริงๆมันควรจะเป็นหลักอยู่แล้วในการปฏิบัติก็คือว่ายอมรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะแดดร้อนฝนตกไงเป็นผู้คน ยอมรับให้คิดแตบบ่ให้นึกแบ่อย่างที่หยวงพ่อชาพวก้อนเนี่ยทุกอย่างนี่มันถูกหมดแล้วแต่ใจเราต่างหากที่วางไว้ผิดนะมาถึงทุกข์เนี่ยฉันพอใจเราไม่ยอมรับพอใจละวาัดพิมพ์เป็นยังไงคือปฏิเสธผักสายไม่ยอมรับเป็นเองแล้วปฏิบัติเนี่ยช่วงพรรษา น, นี้ลองฝึกดูเออเราจะยอมรับทุกอย่างโดยไม่บน่นโวยวาย หรือว่าท่องข้างในมันบ่นวอยๆแต่ว่าก็จะไม่บ่นออกมาข้างนอกเป็นการฝึกจิตเป็นการจิตานก็ได้เราจะอยู่ในวัดโดยที่ไม่บน่นวอยๆตีโพยติภายใจยจะยอมรับทุกอย่างหรือถ้าใจยังยอมรับไม่ได้มันยังบ่นอยู่ข้างในคุนเคือข้างในก็ไม่บ่นออกมาข้างนอกแต่นี่มันคนเรื่องกับการการการแนะนาการ ตักเตือนนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าทําก็ทําไม่ใช่เพราะพราะความทุกข์ไม่ใช่เพราะความคุนเคืองนะแต่ทําเพราะว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันนี้แนะนําได้ตักเตืองได้ทักท้วงไดนะ้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะการไม่ใช่เพราะทําไปด้วยความโกรธ ด, ด้วยความไม่พอใจถ้านะเราฝึกแบบนี้ดูนะฝึกที่จะไม่ไม่บน่นติโตพยติภาย ในภรษานี้ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่แนะนำตักเตือนได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยในการปฏิบัติพวกเราได้มากทีเดียว